ภานังภาเวต บ, บาติณโอกาสนี้จะได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังตามโอกาสที่สมควรเิ็นตามเวลาโอกาสน ะ, ะดังที่หัวข้อที่ว่าง่ายๆนะ่ทานังเดติคือการให้ทานนั่นเองสีลังลักคติ คือการรักษาศีลภาวนาภาเวตบาก็คือการภาวนาพูดย่ อ, ยอๆก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่แหละคือทางดำเนินเดินออกจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพาน การให้ทานนะเริ่มต้นเริ่มต้นจะดาเนินทางดาเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานมันทางยาวข้าวไกลจำเป็นต้องทานนี่เปรียบเสมือนสะเบียงสะเบียงอาหารนะถ้าเราจะเดินทางไม่มีสะเบียงก็คงไปไม่ได้ ศีลคือตัวของเราคือตัวของเราคือร่างกายของเราภาวนาเปรียบเสมือนปัญญาหรือทางปัญญานะถ้าจะมีทานอย่างเดียวก็ไปไม่ได้ศีลไม่ดีศีลหมายถึงตัวเรานะร่างกายของเราไม่บริบูรณ์ย่อมเดินทางไม่ได้แม้มีสเสบียงอยู่ก็ตาม ศนะีลไม่บริบูรณ์ร่างกายไม่บริบูรณ์ศีลยังขาดยังแหวงอยู่ก็ไปไม่ถึงที่นี้มีทานมีศีลแล้วร่างกายบริบูรณ์อาหารก็บริบูรณ์ร่างกายบริบูรณ์แล้วแต่ไม่รู้จักทางไม่รู้จักทางก็ย่อมไปไม่ถึงพระนิพพานให้พากันเข้าใจอย่างนี้ ทำสามอย่างนี้เป็นปฏิสัมพันธอ์อาศัยซึ่งกันและกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถึงแม้ว่ามีปัญญาอยู่ร่างกายไม่สมประกอบก็ไปไม่ได้มีร่างกายสมประกอบมีปัญญาอยู่ไม่มีอาหารเราก็ไปไม่ได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงให้พากันให้ทานทานนี่แหละเป็นบันไดก้าวแรกของคาลวาดญาติโยมนะทานศีลภาวนาส่วนพระเถรเนชีก็ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือพูดย่อๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือมักมักมีองแ์กนั่นเอง นะส่วนคารวาะญาติโยมมันจะไปะพบกันอยู่ที่ภาวนาทานศีลภาวนาภาวนามันแยกออกเป็นสองอย่างแยกออกเป็นสองอย่างสมถภาวนาคือสมาธิอิปัสสนาภาวนาคือปัญญาพูดแยกออกเป็นสี่คารวะญาติโยม ทานศีลสมาธิปัญญาสำหรับพระก็ศีลสมาธิปัญญ า, าจะแยกพูดเรื่องทานให้ฟังนะทานทานได้หลายอย่างเราก็พากันทำบุญทำทานอยู่ประจำแล้วนะาทาน ทานมันก็มีสามอย่างอันหนึ่งเรียกว่าทาตทานคงเคยได้ยินอยู่เนาะทาตทานอันที่สองสหายทานอันที่สามอธิบดีทานทาธาตทานนี่ก็ทานาทาธรรมธานนี่คือคนชายเปรียบเสมือนคนชายคนอะไร เราทานสิ่งของไปของตดำดำเหมือนกับให้คนงานคนชายของราคาของมีค่าตดำดำของเก่าอย่างเงี้ยอ่าทานเข้าไปก็เรียกว่ า, ทาทธาตุทานของเก่าพอเข้าใจนะของเก่าบ้านเก่าเรือนเก่าเสาเก่าอะไรเก่าของเก่าเรามันลกมันหลุงลังอยู่ที่บ้าน เราก็เอาไปถวายที่วัดบางทีท่านคงจะทําประโยชน์อันนั้นอันนี้ได้นี่ก็เรียกว่ า, ทาทธาตุทานนะหรืออา ง, ง, งหารก็เหมือนกันนะอะอทานของเก่าอาหารเก่าข้าวเก่าอาหารเก่าไปก็เรียกว่าให้ธาตุทานอย่างให้ธาตุทีนี้สหายทาน ก็ทานเสมอสหายแปลว่าเพื่อนทานเสมอกับตัวเองบอริโภคก็เรียกว่าสหายทานสำหรับอธิบดีทานทานที่สูงที่ใหญ่นะทานข้าวของทองเงินสร้างวัดบาอารามซื้อที่ดินให้วัดถวายวัด สร้างศาลาสร้างเวียงหารสร้างเจดีอันนี้แหละทานใหญ่ที่สุดอันเรียกว่าอธิบดีทานหรือจะดีที่สุดก็คือทานภรรยาเคยทานบ้างไหมละ่ะภรรยาทานสามีให้ออกไปบวชไม่ใช่ทานให้คนอื่นดอกทานให้ออกไปบวช ถ้าสามีไปบวดล้วก็จะได้อานิสงฆ์สามสิบสองกัปได้มากไหมละ่ะฮะกินไม่หมดนะให้ภรรยาออกไปบวดเป็นแม่เขาแม่ชีก็เหมือนกันได้อานิสง์หลายท่านจึงว่าอธิบดีทานโบราณจึงว่าทานทองเท่าหัวไม่ท่าวทานผัวทาเมียเข้าวัด <c oughs> กล้าทานไม่หลังนะแต่ไปมาไม่ตรงเวลาก็พอแรงแล้วใช่ไหมไม่ออยากจะเพราะว่าให้เจ็บเจ็บแสบๆนี่แหละนั่นนะนี่แหละเรียกว่าอธิบดีทานหรืออีกอันหนึ่งอธิบดีทานคือเรามานั่งสมาธิภาวนานะจาขะขัันห้า สละขั้นห้าออกจิตว่างจิตสงบออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวหรือเอกาทิพโวนะล็อกตัวรูลูอยู่เฉยจิตจจฆะขั้นห้าออกนะสละขั้นห้าออกมาเป็นเอกเทศอยู่หรือท่านเรียกว่าเจโตวิมุตตเนี่ยจิตสงบครั้งหนึ่งพันร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียว ทำไมถึงว่าอย่างนั้นจิตสงบครั้งเดียวมันจาคันหน้าสละคันห้าออกเราก็เห็นอารมณ์นิพาจึงว่าอธิบดีทานอันนี้พอให้เข้าใจทำเอาอยากได้อะทานแบบไหนทีนี้ทีนี้ทานอย่างไรจรึงจะได้อานิสงฆ์มากอ่าอ่า อันให้มีอนอานิสง์มากก็ประกอบด้วยองคหก อ, อันที่แรกสามอย่างก็คือผู้ให้สามอย่างที่ปฏิข้ามหกคือผู้รับประกอบด้วยองสามทานที่ครบองหกเนี่ยองหกมีอะไรบ้างฟังให้เข้าใจนะก่อนทาน ป่อนทานต้องมีศรัทธาเชื่อว่าทานแล้วต้องได้บุญได้กุศลทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพื่อความสุขในชาตินี้และชาติหน้าป่อนทานเชื่อศรัทธาเชื่อแน่ว่าบุญมีจริงนะอันที่สอง <c oughs> ขณะที่กําลังทานอยู่ให้ มีปีติความอิ่มอกอิ่มใจมีปีติลื่นเลงอิ่มอกอิ่มใจอยู่นะให้ไปแล้วอันที่สามให้ไปแล้วองค์ที่สามให้ไปแล้วย่าอะไรอววรท่านเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเคยได้ยินไหมละ่ะศรัทธาหัวเต่า ศรัทธาว่าเดาทานแล้วกะว่าเ้ยเสียดายเอาไปให้วัดนั้นวัดนี่ยาคูนั้นยาคูนี่นพระคูนั้นพระคูนีนคนนคนน่คงจะดีกว่าว่าง้นนะหรือเอาไว้ค่าเทมาเอมค่าเรียนของลูกของหลานจะดีกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาหมาเเดาหมุกเข้าหมุกออกทานแล้วอย่าอะไรอววรอ่าเนี่ยองสามที่นี่ผู้รับนะ ผู้รับก็ประกอบด้วยองค์สาเหมือนกันผู้รับต้องเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่กำลังนะกลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโลภหรือผู้ที่ปราศจากความโลภแล้วผู้รับองค์ที่องค์ที่หนะองค์ที่ห า, าผู้รับ เป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโกรธ <c oughs> หรือผู้ปราศจากความโกรธแล้วองค์ที่หกผู้ ร, รับเป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความหลงหรือผู้ปราศจากความหลงแล้วเนี่นี่แหละทานที่ครบองค์หกนี้ย่อมมีอานิสงส์ว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรแม้ของมันจะน้อยนะก็มากด้วยกุศลมากด้วยศรัทธามากด้วยน้ำใจไม่มีใครวักจังได้วัดได้ว่าเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นให้เราท่านเอาไปพิจารณาดูอ่าก่อนให้ขณะให้ให้ไปแล้วแล้วผู้รับ ก็เป็นผู้ปราศจากกําลังปฏิบัติเพื่อออกจากความโลภความโกรธความหลงพูดง่ายๆหรือผู้ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วนี่แหละฐทานที่ครบองค์หกย่อมมีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเสมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรให้พากันเข้าใจนะนี่แหละทานที่นี้ ก็ศีลศีลศีลก็ตามความสามารถของเราเนี่แหละศีลห้าคารวะญาติโยมก็อยู่ในศีลห้าดีขึ้นไปหน่อยก็ศีลแปดแม่ชีชีปรากาวก็ศีลแปดสามเณรก็ศีลสิบพระก็ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดตามความสามารถของเรานั่นแหละศีล การรักษาศีล น, นี่นะศีล น, นี่แหละเป็นต้นนะเป็นต้นของธรรมเป็นมารดาของธรรมนะแม้เราจะไปทำอย่างอื่นก็ต้องรักษาศีลผู้มีศีลนะคำว่าศีลศีลห้าก็อย่างที่เราได้เคยสมาทานรับอปัิบัตินั่นแหละ คงเข้าใจสินห้าในเป็นสีนของคลาวาสญาติยาจโยมผู้มีครอบครัวมีเยา้ามีเรี้ยอยู่นะถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีเอาสีนกุศลกรรมบท1ิบมาบวกใส่เคยได้ยินไหมกุศลกรรมบทสิบอ่ะสินห้าเป็นสีนศินห้าสินแปดสินสิบสิน 10, สองรอยี่สบเจ็ด ท่านเรียกว่าศีลประเพณีศีลของสังคมนะถ้าอยากจะให้ดีก็เอากุศลกรรมมบทสิบมาบวกใส่เคยได้ยินไหมล่ะศีลกุศลกรรมบทสิบฮะได้แก่กายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสาม กายกรรมสมคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามสมอย่างนี้ไม่เอากายไปทําบาปทุจริตสมอย่างวัจีกรรมสี่ไม่เอาอาญาไปพูดบาปทุจริตสี่อย่างคือพูดปดพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดเพื่อเจริญแล้วไหลไหลสาระวจีกรรมสี่วัจีกรรมสี่เนาะเมื่อกี้นี้ มโนกรรมสามคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่หิดชา้าพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสำคัญนะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเห็นว่าบาปมีกิง่งบุญมีกิงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แก่ศีล อุสลกมบทสิบนี้ท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอริยะกันตศินศีลเป็นที่ยินดีพอใจของพระอริเจ้าทั้งหลายหรือศีลในมรรคเปรตเรียกว่าอริยะกันตศินผู้ใดปฏิบัติในอริยะกันตศีล น, นี้ย่อมได้เป็นพระอริยะบุคคลนะผูย้ย่อๆอย่างที่เราสวด ไปเมื่อกี้นี่แหละสุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังคโคนั่นแหล ะ, ะสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ได้ปฏิบัติดีแล้วนั่นท่านพูดย่อๆไม่ขยายความคำว่าดีแล้วเคยยังไงอะจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีจึงจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า อะไรดีพูดง่ายๆกายดีพอฟังออกไหมล่ะกายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ปฏิบัติกายเจ้าของเนี่ดีไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หระอ พ, พืชผิดในกามบายาดีใจดีนี่นี่เรียกว่าสงสาวกของมงพลทธเจ้าผู้ใดเป็นผู้ที่ ปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีกายก็จะสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเมื่อะะสะอาดแล้วก็จะเป็นกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐผู้มีกายวาจาใจประเสริญนี่แหละเขาเรียกว่าอริยบุคคล อ, อริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบัน ถ้าเราท่านทั้งหลายเมื่ออยู่ในคาลาวาตญาติโยมมีครอบมีครัว ม, มีเย่ามีเลียนอยู่ก็นาเอากุศลกรรมบทสิบนี่ไปปฏิบัตินะพอจําได้ไหมล่ะกรรุศลกรรมบทสิบไปปฏิบัติกุศลแปลว่าฉลาดกรรแปลว่าการกระทธรรมบทแปลว่าทางทางกระทธรรมของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญรรบ์บัณฑิต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทาลงในศีล น, นี้จึงได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นอริยบุคคลขั้นต้นก็คือพระโสดาบันเป็นพระคนเดิบัณเป็นพระพระโสดาบันเคยได้ยินไหมหละ่ะพระโสดาบันเนือกายดีเป็นผู้มีศรัทธาเนีย่ยพูดละเอียดลงไป ศีลมีศรัทธามีศีล น, นี่แหละพระโสดาบันองค์แรกพระโสดาบันศรัทธาคือเรื่องใสในพระบุตรเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลศีลห้ากุศลกรรมบทตรสิบนี่แหละเราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนะเขาเรียกว่าอ่า เป็นนิยโตโอบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติปิดอบายภูมิได้เชื่อแน่ว่าเราถ่าเป็นผู้มีกายเสริฐวาจาเสริศใจเสริศแล้วก็ปิดอบายะภูมิได้อันลังให้อบายะภูมิเป็นนิยโตโอบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติพ่อพ อ, พอได้ไมหมล่ะฮะ อ่าเข้าใจไหมกายดีวาจาดีใจดีดีหรื อ, อยังล่ะเอะทางเนี้ยกายดีไหมสารวจเจ้าของแลวอยากเป็นพระโสดาบันสารวจดูถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นคุณทำสิบประการนี้ทำให้เราบรรลุเป็นพระโสดาบันบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้า พระโสดาบันนี่มีครอบครัวอยู่จะเป็นได้ไหมฮะเป็นได้ไหมล่ะฮะเป็นเป็นพระโสดาบันได้ไหมมีครอบครัวอยู่ฮะอ่าเป็นได้พระโสดาบันนี่ยังมีครอบมีครัวอยู่มีลูกมีหลานอยู่ก็เป็นได้ขอให้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตยัย เป็นผู้มีศีลห้าบวกกุศลกรรมบทชสิบเมื่อวานนี้อาจยังยังอาจจะมีการวาจาผิดอยู่นะให้ถือเอาปัจจุบันนะเอาปัจจุบันแต่ได้ยินได้ฟังนี่แหละที่แล้วไปเป็นอดีตแล้วน้อมเอาคุณทำสิบประการเข้าไปสถิตที่กิจที่ใจ เราก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันท่านนะอริยะก็แปลว่าประเสริฐนั่นแหละอริแปลให้ฟังอีกอริแปลว่าข้าศึกศัตรูข้าศึกศัตรูหรือแปลว่ากิเลสยะแปลว่าใกลเป็นผู้ไกลจากกิเลสเขาเรียกว่าอริยบุคคลบุคคลผู้ไกลจากกิเลส คงเป็นได้นะเอาแค่วัสดาบันนี่ก็เก่งมากแล้วเราปิดอาบายภูมิได้หากามาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกินเกีดชาติก็ไปพระนิพพานในภายภาคหน้าอันนี้ขั้นศีลศีลพอเข้าใจนะต่อไปภาวนาภาวนาทานศีลภาวนา ภาวนาแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมถภาวนาภาวนาแปลว่าแปลว่าการกระทาแปลว่าทำพูดง่ายๆย่อยๆว่าทำหรือแปลว่าอบรมแปลว่าปฏิบัติทำอะไรแปลว่าทำทาใจ อันทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถ ภ, ภาวนาเท่า น, นง่ายๆเท่านี้ทำใจให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาวิธีทำมันก็ไม่ยากนะเอาเอาอาณาปานั้นสตินี่แหละฟังนะวิธีทำจิตให้สงบ เพื่อจะเอาไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านให้มันถูกอาณาปานสตินี่แหละเป็นอารมณ์เป็นคําบริกรรมคําภาวนาอ า, อาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติแปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้ ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเท่านี้ก็เรียกว่าภาวนาง่ายไหมล่ะที่เนี้ยฮะทาจิตให้สงบโดยการโดยอาณาปานสตินี่แหละสมถ ภ, ภาวนาเอาสติตั้งไว้ปลายจมูกปลายจมูกไม่ใช่ที่แหลมแหลมน่ะ น, นะปลายจมูกคือ ต้งที่ลมสุดนะลมสุดลมออกมาพ้นรูจมูกนี่ออกมาสุดอยู่ตรงนี้เขาเรียกปลายจมูกตรงลมสุดบางคนอาจจะไปเข้าใจว่าดั้งจมูกหรือตรงมันแหลมๆปลายจมูกคือลมสุดเอาสติมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกก็กําหนดดูลมหายใจเข้า ออกเข้าออกนะฝึกใหม่ๆเอาสมาธาิที่แรกเราก็หาฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิคือเอาไว้ที่ปลายจมูกง่ายๆปลายจมูกเอาสติตั้งไว้ที่นี่ก็กำหนดดูลมเข่าลมออกอย่างนั้น วิธีฝึกที่แรกต้องเอาลมยาวนะเอาลมยาวยาวยายา ว, ยาวเข้ายาวออกยาวนับเอานับเอาให้ได้สักห้าสิบเข้ายาวเข้าหนึ่งออกหนึ่งไปให้ถึงห้าสิบห้าสิบครั้ง เข้าสองออกสองสติต้องรู้อยู่ที่ปลายจมูกนะทีนี้เมื่อเมื่อพอดูไปดูมาสติเผลอจำไม่ได้ถ้ามันนับหลงนับจำาม่ได้ก็ตั้งสติใหม่อีกนะตั้งสติใหม่นับหนึ่งใหม่เห็นยาวเข้ายาวลองดูก็ได้เดี๋ยวนี้เข้ายาวออกยาวหนึ่ง เข้ายาวออกยาวสองไปพอถึงห้าสิบแล้วเราก็เปลี่ยนเอาเข้าสั้นบ้างใช่ไหมเข้าสั้นออกสั้นหนึ่งเข้าสั้นออกสั้นสองเอาไปเอามาทำจนถึงห้าสิบเหมือนกันเราสังเกตดีๆนะตอนเข้ายาวออกยาวมันรู้สึกเป็นยังไง ความรู้สึกเป็นยังไงแล้วกลับมาเอาเข้าสั้นออกสั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงพิจารณาดูนะตัวสติเนี่ยเผลอพิจารณาดูเข้าสั้นออกสั้นเป็นยังไงอ่าอาการมันเป็นยังไงทีนี้เอาอันที่สามทีนี้เข้าพอดีไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเอาสบายสบายท เราก็จะเห็นลมเข้าลมออกสม่าเสมอกันสบายที่แรกยาวยาวเราจะรู้สึกว่าอึดอัดไม่ค่อยสบายเขาเรียกว่าทุกเวท น, นนะเวทนาเนี่ยนะเวทานาเกิดสั้นเกินไปหายใจไม่พอใช้ลมไม่พอใช้ ก็รู้สึกว่าไม่สบายเป็นทุกข์ไม่สบายนี่ก็เรียกว่าเวทนาพอดีมา่หลับสลับเอาลมพอดีดูทีนี้พอดีพอดีไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปลมของเราก็สมดุลกันกลมกลืนไม่รู้ว่าสั้นว่ายาวไม่รู้ว่าออกว่าเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเบาเย็นนี่แหละกิจ เริ่มจะเป็นสมาธิที่ไหนะให้ทาอยู่อย่างนี้นะทา อ, อย่างนี้ยาวบาั่งสั้นบั่งแล้วก็เอาพอดีบั่งจนลมเสมอกันพอดีพอดีกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะมองเห็นลมเป็นก้อนเป็นกลุ่มเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายลอยเบา่าเอาไปามากกายละงับ ลมหายใจนะ่ะระงับลงเขาเรียกว่ากายระ ง, งับกายลมระ ง, ง, ง, ง, งับลงจิตก็ร ะ, ะ, ะงับลงอ่ะก็คงเหลือแต่ความรู้รู้รูขึ้นเท่านั้นง่ายๆ่ายฝึกรู้รู้รูขึ้นจิตก็สงบจิตวางจากลมหายใจวางจากกายหยาบกายละเอียดกายระงับจิตละงับคงเหลือแต่ความรู้รู้เด่น แล้วก็เอาสติไปจับเอาผู้รู้นี่แหละนี่แหละเราก็ได้จิตเห็นจิตจิตคือผู้รู้รู้รู้เฉยอยู่ก็ได้ลมถึงที่นี่ก็เรียกว่าได้เจโตวิมุตตเนี่ยที่ว่าเจโตวิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขั้นห้าช่วงที่ลมหายใจไม่มีนี่คือจิตมันจาคะจาคะขั้นห้าออกจากจิตจิตออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่ นี่แหละเขาเรียกว่าเอกาทิพโวจิตมาหลอกตัวรู้รู้รู้อยู่เฉยเฉเราก็ได้เห็นจิตแท้ใจเดิมท่านเรียกว่าบุเพจิตตังจิตแท้ใจเดิมว่างบริสุทธิ์ผุดพองอยู่เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้นี่แหละที่ว่าจิตสงบครั้งเดียว ทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวพอจิตสงบลงครั้งเดียวนี่เห็นอารมณ์ะนิพานจิตลงถึงธรรมชาติฐานใหญ่เอกรเทศรู้รู้เฉยอยู่ท่านเรียกว่าวิขำพระนวีมุตวิบขำแปลว่าขมวิขำพระนวีมุตชาญสะกด แปลว่าขม่มแปลว่าสะกดชาญสะกดขันห้าสมาธิข่มขันห้าเอาไว้เปรียบเสมือนหินทับหญ้าขันห้าไม่ได้ทำงานตอนนั้นกิตบางจากขันห้าเรียกว่าจาคขัขนห้าออกแม่พระบุทธองค์ทานกันหาชาลีทานพระนางมัจี ก็ไม่เห็นพระนิพพานพระพุทธองค์มาเห็นอารมณ์พระนิพพานตอนท่านจาข่าขันห้าออกจากข่าขันหาจิตจาข่าขันห้าออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่นี่แหละยิงว่าเรียกว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจาิตสงบครั้งเดียวพอจิตสงบครั้งเดียวเราจะเห็นอารมณ์พระนิพพานอารมณ์วิมุตติสุขรู้รู้เชือ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอารมณ์นี้เงินร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้นะไม่มีใครซื้อได้หาไดนะ้นอกจากเรามานั่งภาวนาสมถภาวนาอัานนี้ก็เรียกว่าได้เจโตวิมุตต์คณะที่จิตสงบอยู่นี้ วางจากขั้นห้าช้ขั้นห้าไม่ได้มีแต่รูู้เฉยอยู่เป็นบีสังขารนึกคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้แต่รูอยู่นะรูอยู่เฉยเฉยช่วงนี้ช่วงมันจิตสงบลงนี่เราจะเห็นขั้นห้าว่างเป็นธรรมชาติลมหายใจไม่มีกายเราไม่มีลมหายกายไม่มี แมแต่อาคารบ้านช่องต้นไม้ภูเขาเลากาก็ดับหมดว่างเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดสัตว์บุคคลตัวตนที่เราเห็นว่าอยู่ในกายเรานี่ไม่มีว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่เอโกธรรมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่แค่นี้ จิตนึกคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้มีแต่สภาพรู้รู้สภาพรู้รู้เฉยอยู่นะเอกเอกระเทศหนึ่งเดียวเรียกว่าอุเบกขาช้เฉยอุเบกขาเอกขดดาลมเรียกว่าจิตลงถึงฐานใหญ่อั ป, ปนาฌานอ ป, ปนาสมาธิได้เกโตวิมุตเนีแ่แหละสมถะ เราจะเห็นสาคัญที่เราเกิดปัญญารู้เห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในร่างกายเราไม่มีร่างกายก็หายบ้านช่องอ้างหอหายมีแต่ธรรมชาติว่างรู้อยู่เท่านี้ใครลงไปถึงจุดนี้จะเห็นอารมณ์พระนิพานนะที่นี่มันอยู่ได้ประมาณไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านจิตของเราจะอยู่ในความสงบ มีกําลังอยู่มากน้อยต่างกันบางคนก็ได้50นาทีได้ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไม่เหมือนกันนะเมื่อจิตพักพรเข้าเต็มที่นอนหลับเต็มที่แล้วนะเข้าพวังเต็มที่พะวงอะไรเต็มที่แล้วจิตอิมเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำเนี่แหละมันก็ถอนตัวออกมา พอรอมเถิงถอนตัวออกมใหม่เราจะเห็นปรากฏเห็นลมหายใจหยาบขึ้นมานะสังเกตดีๆพอมันลงไปแล้วลมหายใจหยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นก็เริ่มมาเห็นกายเราหยาบขึ้นหยาบขึ้นจิตก็จะมาอุปทานเอาคันหักขึ้นเก่านะถ้าผู้ใดปัญญามีอินทรีย์แก่กล้าพอจิตถอนออกใหม่ๆ กิตนุ่มนวลคู่ควรแกการใช้งานแล้วก็น้อมกิจิตนุ่มนวลคู่ควรแกการใช้งานาเหมือนกับช่างเหล็กช่างทองเขาเอาเหล็กมาเผาให้มันแดงเคยเห็นเหล็กเขาเผาอยู่เนาะให้มันนุ่มมันนวลช่างเขาก็มาตีเป็นหอกเป็นดาบเป็นปืนเป็นมีดใช้ได้ จิตของเรากำลังออกจากสมาธิใหม่ๆนี่นุ่มนวลคู่ควรเกกับการใช้งานถ้าผู้ฉลาดจะน้อมจิตไปไปรู้ไปเห็นอันนั้นกับตอนนี้ล่ะจะได้ปัญญาขึ้นมานะและลึกชาติหนหลังก็ได้น้อมจิตเข้าไปดูจิตจิตแท้ใจเดิมของเราจะเป็นศูญญตาว่างน้อมเข้าไปดูตัวนี้ล่ะจิตมันจะย้อนหลัง ไปได้หลายภพหลายชาตินะถ้าใครอยากทำดูก็ทำดูจิตออกจากสนาสมาธิใหม่ๆเ ห, หรือออกจากสมาธิใหม่ๆเราจะเกิดปัญญาที่นี่เรียกว่าปัญญาวิมุตนะเนี่ยเรียกปัญญาวิมุตจิตจะหลุดพ้นจากขั้นห้ารอบที่สองที่แรกมันหลุดพ้นจากขั้นห้าตอมเข้าสมาธิอยู่พอมันจิตหลุดจากขั้น ถอนจากสมาธิกิดก็จะว่าอุปทานขันห้าใช้ขันห้านึกคิดปรุงแต่งได้เราจะเห็นเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธิท่านเรียกว่ายถาภูตาญานทัศนะเคยได้ยินไหมละ่ะยันตัวเนี่ยออกจากสมาธิผู้มีอินทรีย์บารมีอินทรีย์แกีย้าก็จะ เกิดปัญญาเวมุดหลุดพ้นจากขันห้ารอบที่สองพอเราจับเอาอารมณ์เอาอารมณ์ที่เราเห็นในสมถานั่นนะในจิตสงบนั้นนะว่าไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขามีแต่สุญญตาว่างเปล่าอยู่เวลาเราออกมาก็รู้ว่าอ๋อขันห้าเนี่ยขันห้านั่งอยู่น่นตะกวนเราหลงว่ามีสัตบุคคลตัวตนเราเขา ที่ไหนได้มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาผู้ฉลาดเขาจะจับเอาอันนี้มาถือเอาอันนี้เป็นอารมณ์เมื่อตายเห็นรูปมูได้ยินเสียงยามกได้กลิ่นลิ้นได้ลดก็เข้าใจขันห้ามันทำงานเฉยๆไม่มีสัตบุคคลตัวตนอยู่ในนี้เราก็จะหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากขันห้า สนอาสวัคเกเลตในทิฏฐธรรมนี้แ น, แน่ง่ายๆนี่นี่แหละคือปัญญาวิมุตคือวิปัสสนาหรือไม่ออกมาใหม่ๆเราจะเอากายเอากรรมฐานมาคลี่คายพิจารณาดูก็ได้ที่นี่เป็นระดับปัญญานะทานศีลภาวนาสมถะวิปัสสนาวิปัสสนาคือทรรม ใจให้เกิดปัญญาใจมันมาหลงอยู่ก้อนสะกลกายนี่แหละหลงขันห่เนี่หลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาอยู่หลงหมดเลยอยู่เนี่ยที่นี้เมื่อออกมาสติกําลังแจกา้าอยู่นุ่มนวลอยู่แล้วก็เอาแยกขันห่าออกมาดูแยกกายออกมาอยู่กายประกอบด้วย อะไรล่ะธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็แยกธ <c oughs> าตุทั้งสี่ออกอเป็นอย่างอย่างไปเอาจิตถามจิตจิตตอบจิตธาตุดินที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยล่ะธาตุดินค้นแข็งอยู่ยี่สิบอย่างเรียกว่าธาตุดินเป็นเราไหมเป็นของของเราไหมถามให้เข้าใจดินเป็นธ า, าตุธาตุแปลว่าธรรมชาติ อธิบายให้จิตฟังธรรมธาตุธรรมชาติอันหนึง่งไม่มีเจ้าของดินภายนอกภายในก็ไม่มีเจ้าของแต่ทีหลังคนมาจับจองเป็นใบนอซอสามเป็นชนดเฉยๆหรอกเนก็ตายนิจามันไปไม่มีเจ้าของหรอกนะดินภายในก็ไม่มีเจ้าของดินภายนอกไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอันหนึง่งน้ำก็เหมือนกันไม่มีเจ้าของถ้าน้า ม, มีเจ้าของใครกินเข้าไปน้าก็ท้องรง้อง หรือเอาน้ำไปล้างของสกรปรกมันก็คงไม่ยอมใช่ไหมละ่ะฮะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นลมไฟก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นนั้นแยกให้เห็นตามความเป็นจริงนี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันตั้งชื่อสมมุติว่ากาย กายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตวนอัู่ในนี่แหละคือปัญญานะรู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูดายานทัศนะรู้ว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเป็นธรรมชาติมารวมกันขึ้นเป็นก้อนเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนี่ ถ้ารู้ว่ากายไม่มีอย่างนี้เวทนาก็มีเจ้าของเหมือนกันนะ เ, เราก็จะเริ่มเข้าใจอะไรทีนี้เอาดินที่อยู่ในนี่ถ้าไม่ชิดไม่ออกจริงๆดินที่อยู่ในนี่ได้มาจากไหนเนี่ยฮะ เ, เราได้มาอย่างไหนดินเนี่ยฮะได้มาอย่างไหนรู้รจักไหมล่ะได้มาจากพ่อจากแม่ของเรานั่งอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าโมนพ่อโมนแม่ พ่อแม่ปันให้ธาตุดินคือธาตพ่อธาต้น้ําคือธาตแม่มันมาอย่างไงที่นี้มาเป็นก้อนเป็นกลุ่มได้ยังไงฟังให้เข้าใจทีนี้มันจะละสมมุติดับสมมุติออกได้ธาตุดินยี่สิบอย่างที่ค้นแข็งเราได้มาจากพ่อของเราดินอยู่ในพ่อของเรานี่มาสมบุกันกองออกมาเป็นน้ําอสุจิ เข้าใจนะอสุจิน้ําอสุจิของพ่อนั่นนี่นั่งอยู่นี่ที่นี่น้ําประจําเดือนของแม่มาจากน้ำสิบสองอย่างธาตุน้ำสิบสองอย่างอยู่ในแม่มาสมบุกันกองกั น, อ, กนออกมาเป็นน้ําประจําเดือนพ่อกับแม่ร่วมสัมภาษณ์กันตัวเราคือวิญญาณลงมาปฏิสนตยที่ในคันแสดงว่าธาตุดินได้มาจากพ่อ ขาดน้ำได้มาจากแม่ตัวเราคือวิญญาณคือท่านุรู้ล่องลอยและล่องไปตามอากาศพอพ่อแม่ร่วมสังบาสกันเราได้โอกาสก็เข้าไปปฏิสนธิในคันแม่อาศัยลมหายใจจากแม่อาศัยความอบอุ่นจากท้องแม่อยู่อยู่ใน อยู่ในท้องได้เก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดออกมาอ่านี่แหละธาตุดินเข้าใจนะท่านเรียกว่าน ณ, ณทีแปลว่าธาตุน้ําแปลว่าแม่โมแปลว่าพ่อเนี่ยมนพ่อมนแม่ถ้าใครเอามนพ่อมนแม่ไปทําบาปอากุศลด้วยทําทบาปก็เรียกว่าอากุศลโมนเนี่ที่ท่านบัญญัติ อกุศลมมลไม่ใช่กุศลไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กินเหล้าเมาสุราเรียกว่าอากุศลเข้าใจไหมละ่ะถ้าเอามนุ์พ่อมนุ์แม่มานั่งฟังเทศฟังธรรมมาวาริกรรมภาวนา น, นี่ก็เรียกว่ากุศลมลมลมมลเหตุแห่งบุญกุศลนี่ด้วยจกจไหมละ่ะหน้าหน้าโมหน้าคือ น้ำธาตุน้ำโมคือธาตุดินมาผสมกันเข้านี่เขาเรียกว่าก่อนนะก่อนโมตั้งแต่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาใหม่ๆก็มาเกิดเหมือนกับเรานี่ละอาศัยดินน้ำอยู่นี่อาศัยดินน้ำลมไฟมาประชุมกันวิญญาณท่านลงมาประจิสนที ออกมาคนก็มาตั้งชื่อสมมุติว่าสิทธาเนี่นมาว่าเป็นคนตั้งชื่อสมมติทับนี่แหละว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าคนว่าเขาว่าเรามาตั้งชื่อสมมุติใส่นี่หมดนี่คือสัญญาในอดีตพระพุทธองค์ก็หลงเหมือนกันหลงก้อนธาต ว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาขั้นต่อมาพระพุทธเจ้าก็ไปปฏิบัติค้นหาอย่างที่บอกนี่แหละหาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนหลงก้อนนะก้อนโมนี่แหละ ว, ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดูจักหน้าม่อว่าอะไรบ้างนะฮะฮะหนคือหน้าที่คือน้ําประจรําเดือนของแม่โมคือดินคือหน้าวัสกีของพ่อ ฉะนั้นร่างกายของเราเกิดจากของไม่สะอาดมันจึงไม่สะอาดอะไรไหลออกมาก็มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นขาวบทดใช่ไหมเสื้อผ้ามาใส่เดี๋ยวเดียวก็ต้องไปซักวันนี้ก็พูดให้เข้าใจว่าน้าโมนี่ได้มา เ, เมื่อเวลาเราจะทำอะไรเขาก็เอาน้าโมขึ้นก่อนพระพุทธเจ้ามารู้น้าลูโมก่อน ท่านจึงมาสอนให้เราทราบที่หลังเข้าใจว่าวันนี้ฮ ะ, ะก้อนหน้าก้อนโมมาหลงก้อนหน้าก้อนโมนี่ว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่ต่อมาภายหลังท่านมาแยกดูเห็นด้วยตาในตา้ิตตาใจรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ท่านจึงตัดสรู้ที่นี่ตัดสรู้ที่หน้าโมนี่และ เพาะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรประกอบพิธีอะไรก็ต้องว่าหน้าโมขึ้นก่อนอเข้าใจไม่ล่ะหน้าคือนทีแปลว่าแม่โมดินแปลว่าพ่อพ่อกับแม่ร่วมสังวาดกันเราจึงได้ก้อนสกลกายนี่ขึ้นมาขั้นต่อมาก็มาสมมุติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาอยู่นี่แล้วก็ถือเอา ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาตามโลกในอดีตเขาสมมุติมาที่จริงสัตว์บุคคลตัว ต, ตนจริงๆมีไหมใเนๆๆี้นะไม่มีไม่มีมีแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมมาประชุมกันเฉยเฉอันนี้แหละคือวิปัสสนาทําให้เกิดปัญญาสอนจิตแต่ก่อนจิตหลงว่าก่อนสกลกายนี่มีสัตว์บุคคลตัวตอนอยู่ในนี้เรามาแยก หลงเอาจิตแก้จิตสอนจิตจิตอบรมจิตนี่แหละมาตัดสู้ที่ก้อนนะก้อนโมนี่เองเราเดี๋ยวนี้ก็มาหลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาก็หลงก้อนนี้เข้าใจ ไ, ไหมที่เนี่ยที่จริงมันไม่มีมีแต่ธรรมชาติมาประชุมกันอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวแต่เดี๋ยวบ่เดา้ามันก็เสื่อมสลายมาลายสูญไปในที่สุด ลงไปสู่ธาตุเดิมของมันส่วนที่ข้นแข็งอยู่นี้ก็ลงไปสู่ดินส่วนที่เอับอาบ เ, เล้ยวไหลไปล้เหนื่อยเข้าไปเป็นน้ําลมไฟความอบอุ่นอยู่นี่ก็เสื่อมสลายไปลงสู่ธาตุเดิมเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมกลาเสื่อมสลายมาลายศูนในที่สุดอันนี้แล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้นะรู้ว่าคันห้า ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมนะเราก็ได้ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นจากขันห้าหลุดพ้นจากขันห้าด้วยปัญญารู้ว่าขันห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้าใจไหมล่ะทิ่เนียนี่จะหลุดพ้น เมื่อดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานดับด้วยสติปัญญารู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้ไปดับที่อื่นดอกถ้าความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิลงว่าขันห้าเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ามาแจ ก, ยกแยกดูจริงๆขันห้าไม่มีเจ้าของเวลา้าจะแตกขันจะดับ เราก็เอาจิตเราไปอยู่กับพุทธโธธรรมโมที่เห็นอยู่ในสมาธิล้วก็สละธาตุเราไปเราก็สินอาสวะกิเลสฉะนั้นอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าแสดงไวน้นี้ผู้บุคคลใดท่านใดบุคคลใดจเจริญให้มากทำให้มากย่อมได้เจโตวิมุตติในสมาธิ เห็นในสมาธิว่าว่างจากสัตบุคคลตัวตนเราเขาก็จะได้ปัญญาวิมุตต์ตอนจิตถอนออกจากสมาธิอีกโดยมาแยกกายออกแยกกรรมฐานห้าออกแยกอะไรออกดูถามคำถามว่าไม่มีสัตบุคคลก็จะเกิดปัญญาวิมุตต์ก็จะหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวัจิเลสในทิฏฐธรรมนี้ ในชาตินี้ถ้าไม่หลุดพ้นตอนนี้เมื่อมรณการเมื่อใจใกล้จะขาดก็จะหลุดพ้นจากขันหายก่อนจะตายก็เข้าพระนิพพานได้นะเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่หลุดพ้นตอนนี้ก็ก็จะได้อานิสงส์ คือได้เป็นเทวดาเทวบุตรเทวดาผู้ใช้ก็ได้เป็นเทวบุตรผู้ยิ่งด้เป็นเทวดาทํานลงในอานาปานสติถ้าไม่ได้เป็นเทวบุตรเทวดาก็จ ะ, ะก็จะได้มีศรัทธาได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกได้พบกับพระสียอา่านอยากได้ไหมหละ่ะฮะ ภาวนาเอาได้อยาพบได้พบพระเสีอานอีกนะมีศรัทธาได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ภาวนาต่อไปอีกหรือไม่อันสุดท้ายนะถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระปัิเกตพระพุทธเจ้านะต่อในการต่อไปนี่แหละอานิสงส์ในการภาวนาอ่า หนึ่งได้เป็นพลังหันในทิฏฐธรรมนี้สองถ้าไม่ได้เป็นตอนนี้กว่าตอนเมื่อมอและนะการใจจะขาดมันจะทิ้งเพราะว่าเราฝึกเอาไว้แล้วมันจะทิ้งกายออกทิ้งขันห้าวางขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลออกมันจะไปอยู่ศูนย์ยตาอยู่อนัตตาว่างเป็นธรรมชาติเหมือนเข้าสมาธิถ้าไม่ได้อันนี้ก็จะได้ กลับมาเกิดเป็นคมมโลกถ้าได้ฌานนะถ้าไม่ได้ฌานก็มาเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอ่าเนี่ยหรือจะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าอิบได้เจริญภาวนาต่อหรือจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในภพต่ อ, ต, อต่อไป นี่แหละอนิสง์ในการภาวนาให้เราท่านทั้งหลาย้ากันทําเอานี่แหละทานศีลภาวนาที่ได้พูดให้ฟังว่ามันมีปฏิสัมพันธ์อาศัยซึ่งกันและกันอยู่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เขาเรียกว่ามักนะะมักทางเดินออกจากทุกหรือท่านเรียกชื่อว่ามักสมังคีจาได้ไหมล่ะอาณาปานสติ ลมหายใจเข้าออกนะขั้วใหญ่มาอยู่นี่หมดนะอยู่ลมหายใจหมดนะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะที่พูดไปเมื่อกี้นี่ว่าเป็นพระโสดาบันกายดีวาจาดีใจดีอันนี้ก็เรียกว่าทำคําสอนของพระเจนะ้านี่ยย่อลงมาเนี่ยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระสูตรสองหมืนหนึ่งพันสูต ร, 21, ตรก็สอนกาย ของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีเท่านี้เพราะวินัยสองหมื่นหนึ่งพันสุดก็วินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจเท่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะส่วนพระปรมัตคือองค์พุโทโธก็อยู่ในก้อนสกลกายนี่แหละเมื่อเราดับลงแล้วเราจะเห็นดับกายได้ภาวนาดับลงจะเห็นพุโทโธขึ้นมา เหนพุทํารรสงภายในไม่ได้อยู่ที่ไหนพระสูตรพระเวเนยพระปรมัตดหรือจะย่อลงไม่ให้อีกเข้าใจง่ายๆอีกพระสูตรง่ายกว่าเก่านะไม่ต้องไปเปิดตาราแล้วเท่นี่พระสูตรคือสูตรลงเขา้าง่ายไหมเที่นี่ง่ายไหมพระเวเนยคือหายใจออกหายใจเข้าเท่ากันหายใจออกเท่ากันพระสูตรพระเวเน ย, ยังมีเท่ากันส่วน พระปรมัตถ์คือองคุตธ tha ธก็สิงสถิตยอยู่ที่ลมหายใจนี่ยนะเมื่อเราดับพระสูตรพระวินัยลงก็เห็นองค์พระปรมัตถ์ขึ้นมาอ่นะปาปรมัตถ์ทำทำมนละเอียดละเอียดยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเนี่ยพระปรมัตถ์รมคือจิตเดิมแท้ของเรานะให้พากันเข้าใจอย่างนี้คนจะมาเกิดก็มาเอานี่แหละมาเกิดเอาวิญญาณมันเกิดเอาใจมาเกิด คนจะตายก็ใจขาดนี่แหละฉะนั้นพระธรรมแปด0มื่นสี่พันพระธรรมมขันย่อลงมาอยู่ที่ลมหายใจพระสูตรคือสูตรลงเข้าออง่ายว่าอะไรที่ไนฮะพระเวเนยนนคือหายใจออกส่วนพระบรามาตัตคือองค์พุทโธก็อยู่ในลมหายใจนี่เองพระพุท้องค์จึงตั้งาศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุเรียกว่าพุทธ เขาใจไหมพุท ธ, ธาศาสนาไม่ได้ไปตั้งอยู่ตึบรามบ้านช่องไม่ได้ตั้งอยู่ผู้เขาเรากาตั้งอยู่ในลมหายใจทีนี้จึงมาย่อลงใหม่ว่าอาณาปานสติทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่เดียวนี้หมดเขาใจไหมเท่นี่ภาวนาพระพระองศ์จึงให้เอาอาณาปานสติถ้าดับลมหายใจลงได้ก็เห็นพุโทโธ เอาวันนี้ก็พูดให้ฟังพอเข้าใจนำเอาไปประพฤติปฏิบัตินะเอาก็สมควรแก่เวลาเอาวังก็มีด้วยประกาศและฉันนี้